เพื่อแสดงถึงผลแห่งบทอาวัธารณะในบทว่าภาวังคาจรณะเมวะนี้ท่านพระอนุรุทาอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิถีจิตดังนี้แต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งแสดงถึงผลแห่งบทอาวัธารณะว่าไม่มีผวังคุปัจเฉ ท, ทะ ก็คำว่าไม่มีผวังคูปัจเฉทะนั้นสำเร็จด้วยการกล่าวถึงความไม่มีแห่งความเกิดขึ้นแห่งวิถีจิตนั่นเองแม้เมื่อมีความเกิดขึ้นแห่งวิถีจิตผวังคจิตก็ขาดได้ก็เพราะแม้ข้างต้นไม่ได้กล่าวแยกจากผวังคะจารณจิตไว้โดยชื่อว่าผวังคุปัจเฉทะ แต่ในอธิการว่าด้วยอติปริตารมนี้ท่านพระอนุรัตาจารย์กล่าวคำว่าไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิถีจิตดังนี้ไว้โดยไม่แปลกันเพราะไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิถีจิตโดยประการทั้งปวงเฉพาะวาระสุดท้ายวงเล็บเปิดอติปริตารมวิถีวงเล็บปิ ด, ป เ, ปดเท่านั้น ท่านพระอนุรุทธาอาจารย์กล่าวไว้ด้วยอำนาจเป็นโมคะวาระในพระอภิธรรมมัทธสังฆะปกรณ์นี้ส่วนในปรกรณ์อื่นวงเล็ยเปิดคือปรกรณ์ปรามัทธวิเนจัยวงเล็ยปิดแม่วาระที่สองวงเล็ยเปิดมหันตารมวิถีวงเล็ยปิดท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าเป็นโมคะวาระเพราะว่างจากกระทาลำพนาจิตและ วาระที่สามวงเล็บเปิดปริตารมวิถีวงเล็บปิดก็กล่าวว่าเป็นโมคะวาระเพราะว่างจากชาวนาจิตบทว่าอารัมพนภูตาได้แก่ทั้งเป็นอารมณ์ทั้งเป็นปัจจัยความจริงแม้ปัจจัยบันดิตก็เรียกว่าอารมณ์ดุจในประโยคเป็นต้นว่ามานได้ช่อง มานได้ปัจจัยเหตุนั้นนั่นแลจึงสำเร็จคำว่าความเป็นไปแห่งอารมณ์อันเป็นปัจจัยแม้แก่โมคะวาระในบรรดาวาระทั้งสี่นี้ความจริงอติปริตตารมณ์ย่อมเป็นปัจจัยแก่การบัญญัติว่าโมคะวาระจริงอยู่เมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ เพราะพวังคาจรณจิตเป็นไปเฉพาะในอารมณ์ของตนของตนปาจิมะวาระจึงไม่มีความเป็นไปในอติปริตารมณ์เพราะเหตุนั้นคำว่าเป็นอารมณ์แห่งวาระทั้งสี่จึงเป็นคำที่พึงเชื่อถือได้ยากแลในปัญจทวารวิถีจิต ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตามสมควรคือเหมาะแก่ทวานนั้นๆได้แก่เหมาะสมแก่ปัจจัยนั้นๆและเหมาะสมแก่อารมณ์นั้นๆเป็นต้นว่าโดยไม่แปลกกันมีเจดวิถีเท่านั้นคืออาวัชนะวิถีหนึ่งปัญจวิญญาณวิถีมีทัศนวิถีเป็นต้นหนึ่งสัมปติชนะวิถีหนึ่ง สันติรณะวิถีหนึ่งโวตถะณนะวิถีหนึ่งเวนะวิถีหนึ่งตัธาลัมพนะวิถีหนึ่งจิตตุบาทหรือเฉพาะวิถีจิตที่กําลังเกิดขึ้นด้วยอำนาจการเกิดขึ้นแห่งจิตทั้งหลายแต่ละแผนกก็มีสิบสี่ดวงคือจิตห้าดวงมีอาวัชนะจิตเป็นต้นเวนะจิตเจ็ดดวงและตัทาลัมพนะจิตสองดวง แต่ว่าโดยพิสดารกามาวจรจิตชื่อว่ามีห้าสิบสี่ดวงเพราะกามาวจรจิตทั้งหมดนั่นแลเกิดขึ้นในปัญจทวานนั้นตามที่เกิดขึ้นได้บทว่าเอธะได้แก่ในวิสยปวัตติสังคหะแม้อารมณ์ที่เป็นอดีตหรืออนาคตก็ย่อมเป็นอารมณ์ของจิตที่เกิดทางมโนทวานได้ เพราะเหตุนั้นใครๆจึงไม่อาจทําการกําหนดอารมณ์ของจิตที่เกิดทางมโนทวานเหล่านั้นด้วยอํานาจอติมหันตารมณ์เป็นต้นได้เพราะเหตุฉะนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์เพื่อจะกําหนดอารมณ์นั้นด้วยอํานาจวิภูตารมณ์และอวิภูตารมณ์เท่านั้น จึงกล่าวคำว่าญาิวิภูตามาลำพนังดังนี้เป็นต้นบทว่าเอธะได้แก่ในมโนทวานจิตสี่สิบเอ็ดวงย่อมเป็นไปในมโนทวานเพราะจิตสิบสามดวงคือปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงมโนธาตุจิตสามดวงซึ่งมีเฉพาะในปัญจทวานไม่เป็นไปในมโนทวานนั้น นัยยะว่าด้วยชาวนาจิต ท, ที่เป็นกามาวจรจบความต่างกันแห่งวิภูตารมณ์และอวิภูตารมณ์ชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะอัปปนาชาวนาจิตเกิดมีได้เฉพาะเวลาที่อารมณ์วงและเปิดมีปัตวีกสินเป็นต้นวงและปิดปรากฏชัดเท่านั้นเชื่อมความว่าความจริงในวาระว่าด้วยอปปนาชาวนาจิตนั้น บรรดามหคตตาชาวนาจิตวงเล่เปิดสิบแปดวงวงเล่ปิดและโลกุตระชวนาจิตนวงเล็แปดดวงรวมยี่สิบหกดวงชวนาจิตดวงใดดวงหนึ่งย่อมอยังลงสู่อัปนาวิถีมีวาจาประกอบความว่า เมื่อบรรดากามาวจร ช, นชวนาจิตที่เป็นญาณสัมปยุตแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงสี่ครั้งโดยชื่อว่าบริกรรมอุปจารอนุโลมและโคตรรภูตามลำดั บ, ดบหรือเกิดขึ้นแล้วดับลงสามครั้งโดยชื่อว่าอุปจารอนุโลมและโคตรภูตามลำดับความจริงจิตวงและเปิดกามาวจร ช, นชวนาจิตวงและปิดดวงที่หนึ่ง ชื่อว่าบริกรรมเพราะเป็นธรรมชาติสร้างคือเพราะเป็นธรรมชาติปรุงแต่งอปปนากามาวจรชาวนาจิตดวงที่สองชื่อว่าอุปจารเพราะเป็นธรรมชาติเข้าใกล้อปปนาความจริงสภาวธรรมแม้ไม่ใกล้นักไปไม่ไกลนักชื่อว่าอยู่ใกล้อีกอย่างหนึ่ง กามาวจรโชนะจิตดวงที่สองชื่อว่าอุปจารเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นไปใกล้อัปปนากามาวจรโชนะจิตดวงที่สามชื่อว่าอนุโลมเพราะคล้อยตามบริกรรมแม้ในส่วนเบื้องต้นและคล้อยตามอัปปนาในส่วนเบื้องสูงกามาวจรโชนะจิตดวงที่สี่ชื่อว่าโคตรภู เพราะครอบงำโคดที่เป็นกามาวจรและเพราะทำโคดที่เป็นมากคตะให้เกิดมีคือเพราะให้เจริญเพราะครอบงำโคดที่เป็นปุถุชนและเพราะทำโคดที่เป็นโลกุตระให้เกิดมีคือเพราะให้เจริญชื่อสี่ประการเหล่านี้ ย่อมได้โดยไม่มีส่วนเหลือในเวลาที่กามาวจรชวนาจิตเป็นไปสี่ครั้งแต่ว่าในเวลาที่กามาวจรชวนาจิตเป็นไปสามครั้งย่อมได้เฉพาะชื่อว่าอุปจารอนุโลมและโคตรตะพูเท่านั้นส่วนในอัตตกถาวงลึกเปิดอัตตกถาอัตถสาริณีวงลึกปิดพระอัตตกถาจาร กล่าวชื่อมีบริกรรมเป็นต้นแห่งกามาวจรชวนาจิตสองดวงหรือสามดวงข้านต้นไว้แม้โดยไม่ต่างกันความจริงมีอธิบายความว่าโดยสมควรแก่อ ป, ปนาชวนาจิตที่จะพึงเกิดขึ้นเป็นวาระที่ห้าในเมื่อบัรดากามาวจรชวนาจิต ที่เป็นญาณสัมปยุทธ์แปดวงวงและเปิดมหากุศ ล, ลจิตสี่ดวงและมหากริยาจิตสี่ดวงวงและปิดดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงสี่ครั้งโดยชื่อว่าบริกรรมอุปจารอนุโลมและโคตรภูตามลําดับวงและเปิดสําหรับท่านผู้บําเพ็ญเพียรผู้เป็นทันทาภิญญาบุคคลวงและปิดหรือโดยสมควรแก่อัปนาชวนจิตที่จะพึงเกิดขึ้นเป็นวาระที่สี่ ในเมื่อบรรดาการมาวจรโชนจิตที่เป็นยาณสัมปยุตแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงสามครั้งเท่านั้นโดยชื่อว่าอุปจารอนุโลมและโคตรตรูตามลำดับวงและเปิดสำหรับท่านผู้บำเพ็ญเพียรผู้เป็นขิปปาพิญญาบุคคลวงและปิดดังนี้ เพื่อจะแสดงวาระแห่งชื่อมีบริกรรมเป็นต้นที่จะได้อยู่โดยไม่มีส่วนเหลือท่านพระอนุรุทธาาจารย์จึงกล่าวไว้ข้างต้นว่าจะตุขตุงกล่าวไว้ในที่สุดว่าปัญจมังวาดังนี้ด้วยอำนาจลำดับการนับบทว่ายะถาระหังได้แก่เหมาะแก่ขิ ป, ปาพิญญาบุคคลและทันทาพิญญาบุคคล ความจริงในลำดับแห่งกามาวจรชวนาจิตที่เป็นไปสามครั้งสำหรับกิปปาพิญญาบุคคลอั ป, ปนาชวนาจิตย่อมเกิดขึ้นเป็นวาระที่สี่ในลำดับแห่งกามาวจรชวนาจิตที่เป็นไปสี่ครั้งสำหรับธันทาพิญญาบุคคลอั ป, ปนาชาวนาจิตย่อมเกิดขึ้นเป็นวาระที่ห้าพึ่งเห็นความหมายว่าก็เพราะอนุโลมจิต ที่ไม่ได้อาเสวณนะย่อมไม่สามารถจะให้โคตรรภูจิตเกิดขึ้นได้และจิตดวงที่หกหรือที่เจ็ดแม้ได้อาเสวณะแล้วก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยอำนาจเป็นอ ป, ปนาชาวนาจิตเพราะใกล้ต่อพวังคจิตเปรียบเหมือนคนที่อยู่ใกล้เหวฉะนั้นเหตุนั้นต่ำกว่าชาวนาจิตดวงที่สี่หรือสูงกว่าชาวนะจิตดวงที่ห้าอปนาชาวนาจิตย่อมมีไม่ได้ พาอว่าญาถาพินีหาระวสัยนะความว่าโดยสมควรแก่อภินิหารแห่งจิตในสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาอันเหมาะแก่รูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและมรคจิตและผลละจิตฝ่ายโลกุตระวิธีแห่งอั ป, ปนาชื่อว่าอั ป, ปนาวิธีเมื่อกล่าวคำเฉพาะเพียงเท่านี้ว่า ตโตปรังพวังคาปาโตวะโหติ ว, ว, ว, ตวงเลิปเปิดต่อแต่นั้นไปย่อมตกเป็นพวังคจิตทันทีวงลิปิดดังนี้ชนทั้งหลายก็จะพึงยึดถือว่าต่อจากอัปนาชฉวนจิตยังลงสู่อัปนาวิถีเป็นวาระที่สี่หรือเป็นวาระที่ห้าแล้วย่อมตกเป็นพวังคจิตทันทีผลลจิตย่อมไม่เกิดในลำดับต่อจากมรคจิต และในสมาบัติวิถีชาณจิตและผลลจิตย่อมไม่เกิดเรื่อยๆไปดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวย้ำอีกว่าอปปนาวส า, าในวงและเปิดในที่สุดแห่งอัปปนาชชนะจิตจึงต ก, กเป็นพระวังกจิตทันทีวงและปิดดังนี้ในยะว่าอาจารย์ทั้งหลายนิกายอื่น ย่อมพรนน า, นาความเป็นไปแม้แห่งกา ม, มาวาจรชวนจิตทั้งหลายสองหรือสามครั้งต่อจากอ ป, ปนาชวนาจิตเกิดครั้งแรกในบรรดาโลกียะอ ป, ปนาชาวนาจิตทั้งหลายเพื่อความครบบริบูรณ์แห่งชวนาจิตดวงที่เจ็ด เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทาอาจารย์จึงกล่าวบทมีอวัธารณะว่าพระวังคะปาโตวะวงแล็บเปิดตกเป็นพระวังคจิตทันทีวงแล็บปิดดังนี้เพื่อจะคัดค้านมาติของอาจารย์นิกายอื่นเหล่านั้นเสียบทว่าตัดถะได้แก่บรรดากามาวาจรชวนจิตที่เป็นญาณสัมปยุตแปดดวงวงแล็บเปิดมหากรุสชนฉวนจิตสี่ดวงและมหากริยาชวนจิตสี่ดวงวงแล็บปิดเหล่านั้น และบรรดามหาคตะชาวนจิตและโลกุตระาชาวนจิตยี่สิบหกดวงวงและเปิดมหาคตะกุศลชวนจิตเก้าดวงมหาคติเกริยาชาวนจิตเก้าดวงและโลกุตระาชาวนจิตแปดดวงวงและปิดเหล่านั้นอีกในยะหนึ่งบทว่าตัทะได้แก่ในวาระแห่งอปนาชาวนจิตนั้นบทว่าโสมนัสสะสหคตะชาวนานันตรังได้แก่ในลำดับ ต่อจากกุศลชวนจิตและกิริยาชาวนาจิตสี่ดวงซึ่งสหรคตด้วยโสมนัสบทว่าโสมนัสสาสกตาวะความว่าบัณฑิตพึงหวังเฉพาะอัปนาชาวนจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสด้วยอำนาจฌานสี่และมรรคจิตและผ ล, ละจิตแห่งพระอริยบุคคลผู้เป็นสุขวิปัสสกเป็นต้น แต่ไม่พึงหวังอปนาชาวนะจิตแม้ที่สรโคตด้วยอุเบกขาเพราะในวงเล็บในคำพีปฐานวงเล็บปิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงยกเหล่าชาวนะจิตที่มีเวทนาต่างกันในวงเล็บขึ้นแสดงไว้วงเล็บปิดว่าเป็นอาเสวนะปัจจัยแก่กันและกันบทว่าปาติกังกิตัพพาได้แก่ปรสสังสิตพภาวงเล็บเปิดพึงประสงค์วงเล็บปิด มีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าอิจจิตพพาในวงเล็บพึงป ร, รารถนาบทว่าตัดทาปิได้แก่แม้ในวาระแห่งชวนาจิตที่ประกอบด้วยเวทนาอย่างเดียวนั้นบทว่ากุศลชวนานันตรังได้แก่นลําำดับต่อจากกุศลชวนาจิตที่เป็นญาณสัมปยุตสี่ดวงกุศลชวนาจิตย่อมแน่วแน่ไม่ใช่กริยาชวนจิตแน่วแน่ เพราะบังเกิดโดยสันดานที่ต่างกันอธิบายว่าและผลลจิตสามดวงเบื้องกรรมย่อมแน่วแน่ในสมาบัติวิถีบทว่าสุขาปุ ญ, ญําหาเป็นต้นความว่าอัปนาชาวนาจิตสามสิบสองดวงคือฌานสี่ทั้งฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโลกุตระเว้นอรหัตสาผลลจิตในวงเล็บสี่ดวง รูปาวจรวิบากจิตในวงเล็บสี่ดวงและรูปาวจรนเกิดุยาจิตในวงเล็บสี่ดวงย่อมเกิดต่อจากกามาวจรนกุศลจิตที่สอดรคตด้วยโสมนัสเวทนาฝ่ายติเหตุกะสองดวงอปนาชาวนาจิตสิบสองดวงอันเป็นฌานที่ห้าก็เหมือนกันคือย่อมเกิดต่อจากกุศลลจิตที่สอดรคด้วยอุเบขาเวทนาคือ ต่อจากกามาวจรกุศซจิตฝ่ายติเหตุกะสองดวงอัปนาโชนะจิตแปดดวงคือรูปาวจรกิริยาจิตสี่ดวงและอรหัตผลจิตสี่ดวงย่อมเกิดต่อจากกิริยาจิตที่สรคตรด้วยโสมนสเวทนาคือกามาวจรกิริยาจิตฝ่ายติเหตุกะสองดวงอัปนาโชนะจิตหกดวงคือรูรปาวจรกิริยาจิต นวงเล็บหนึ่งดวงและอรูปาวจรกิริยาจิตในวงเล็บสี่ดวงที่สาระคตด้วยอุเบกขาเวทนารวมห้าดวงและอราตผน ล, ลจิตในวงเล็บหนึ่งดวงย่อมเกิดต่อจากกิริยาจิตที่สาระคตด้วยอุเบกขาเวทนาคือจากกามาวจรกิริยาจิตวายติเหตุกะสองดวงบทว่าเอธะได้แก่ในอธิการว่าด้วยวิถีสังคหะ บทว่าสัพพทาปิความว่าทั้งในปัญจทวารทั้งในมโนทวารบทว่าอิเทได้แก่ในอิทธมัชตารม์ความจริงท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จะกกล่าวอติอิทธารม์แยกไว้แผนกหนึ่งเชื่อมความว่าปัญจวิญญาณจิตสัมปฏิชนจิตสันติชนะจิตและตถาลัมพนาจิตฝ่ายกุศลวิบากย่อมเกิดในอิทธมัชตารม์ สันติรตะานาจิตและตทธาลัมณนจิตเฉพาะที่สระคตด้วยอุเบขาเวทนาเท่านั้นย่อมเกิดในอิทธารมเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่าแต่ว่าสันติระนาจิตและตทธาลัมพนจิตเฉพาะที่สระคตด้วยโสมนัสเวทนาเท่านั้นย่อมเกิดในอติอิทธารมความจริง วิบากจิตที่เป็นไปตามอนุภาพแห่งกรรมย่อมมีการประกอบด้วยเวทนาตามอารมณ์นั่นแหละเพราะจะกำหนดรับอารมณ์เองไม่ได้เหตุปราศจากการกำหนดหมายเรียบเสมือนเงาหน้าในกระจกฉะนั้น ส่วนว่ากุศลจิตและอกุศลจิตทั้งหลายย่อมมีการรับอารมณ์แม้ในอติอิทธารม์โดยอาการเป็นอิทธามัชตารม์หรือเป็นอนิถารมณ์ก็ได้แม้ในอนิถารมณ์โดยการเป็นอิทธารม์หรือเป็นอิทธามัชตารมณก็ได้เพราะเป็นไปในสันดานที่ยังละความสำคัญผิดไม่ได้จริงอย่างนั้น แม้ในอัติอิทารมมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นสำหรับพวกชนผู้ไม่มีศรัทธาเป็นตน้นย่อมมีเฉวนะจิตที่สรคตด้วยอุเบขาเวทนาเกิดขึ้นแต่สำหรับพวกเดรธีเป็นตน้นย่อมมีเฉวนะจิตที่สรคตด้วยโทมณสเวทนาเกิดขึ้นส่วนในอารมณ์ที่ปฏิกูลสำหรับพวกชนผู้มีปกติลึกซึ้งเป็นตน้น ย่อมมีชวนาจิตที่สระคตด้วยอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นแต่ในอารมณ์ที่ปฏิกูลนั้นสาหรับพวกสุนัขเป็นตน้นย่อมมีชวนาจิตที่สระคตด้วยโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นได้ส่วนวิบากจิตที่เป็นไปแล้วในส่วนเบื้องต้นและภายหลังย่อมเกิดตามวัตถุที่ตั้งที่เกิดนั่นแลเช่นวิบากจิตของพวกสุนัขเป็นตน้น ประพฤติพอใจในเพราะเห็นของไม่สะอาดแลก็เหตุในความที่จะคุวิญญาณจิตเป็นต้นแม้ที่เป็นไปอยู่ในอติอิทธารมและอนิธารมเป็นธรรมชาติสารครด้วยอุเบกขาเวทนาข้าพเจ้าวงไล้เปิดพระสุมังคตาจาร์วงไล้ปิดกล่าวไว้เสร็จแล้วข้างต้นนั่นแล บทว่าตัดถาปิได้แก่แม้ในบรรดาตถาลัมพนจิตบทว่าโสมนาาัสสาคตะกิริยาชาวนาวาสานีได้แก่เมื่อกิริยาชาวนาจิตที่สระคตด้วยโสมนัสเวทนาทั้งฝ่ายสหทุกะทั้งฝ่ายอาเหตุกะห้าดวงดับลงเพราะพระขีณาสพทั้งหลายไม่มีจิตวิปัญละ แม้กริยาชาวนาจิตก็ย่อมเป็นปลายตามอารมณ์นั่นแลเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวว่าในเมื่อกิริยาชาวนาจิตที่สรกรคตด้วยโสมณสเวทนาดับลงดังนี้เป็นต้นส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าในคำภีปัฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัตตาลมพระจิตไว้ในลำดับต่อจากกุศลจิตและอกุศลจิตว่าเมื่อกุศลจิต หรืออากุศละจิตดับลงวิบากจิตย่อมเกิดขึ้นเพราะมีตทาลัมพนาจิตเป็นอารมณ์เพราะเหตุนั้นตทาลัมพนาจิตจึงไม่เกิดในลำดับต่อจากเกริยาชชนะจิตในคำของอาจารย์บางพวกนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลย ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงกราตต า, าลัมพนาจิตแม้ในลำดับต่อจากอภยกตาจิตวงและเปิดกิริยาชวนาจิตวงและปิดไซบุคคลทั้งหลายก็จะพึงสำคัญความเป็นไปแห่งทาลัมพนาจิตนั้นแม้ในลำดับต่อจากโวตขับพาณจิตแม้ในปริตารมวิถีเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงไม่ตรัตตธาลัมพนาจิตไว้ในลำดับต่อจากกิริยาชาวนะจิตแต่ที่ไม่ตรัสไว้ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ความจริงการไม่ตรัสถึงคำแม้จะหาได้อยู่ด้วยพระประสงบางปรารย่อมปรากฏในที่บางแห่งเหมือนอย่างไม่ตรัสหาไทยวัตถุแม้ที่หาได้อยู่ในหมวดธรรมเพื่อจะเฉลยความต่างแห่งเทศนาฉะนั้น และเมื่อโฉนนจิตที่สรคตด้วยโทมานัสเวทนาดับลงตถาลัมพนาจิตและผวังคจิตเฉพาะที่สรคตด้วยอุเบคาเวทนาเท่านั้นย่อมเกิดตถาลัมพนาจิตและผวังคจิตที่สรคตด้วยโสมนัสเวทนาเกิดไม่ได้เพราะโสมานัสเวทนากับโทมนัสเวทนามีสภาวะขัดแย้งกันและกัน ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแหละในคมพีปฎฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงยกโสมนัสเวทนาขึ้นแสดงไว้ในลำดับต่อจากโทมณัสเวทนาและไม่ทรงยกโทมณัสเวทนาขึ้นแสดงไว้ในลำดับต่อจากโสมนัสเวทนานั้นจริงอย่างนั้นในเวทนาสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนันต ร, ประปัจจัยไว้เจ็ดวาระเท่านั้นอย่างนี้คือ ตรัธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนากับธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาไว้เวทนาละสองวาระโดยความเป็นอนันตรปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยเวทนาที่เหมือนกันของตนของตนและแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยพระพุทธพทว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตระปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาดังนี้เป็นต้นแต่ตรธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยอทุกขะมสุขเวทนาไว้สามวาระโดยความเป็นอนันตระปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยเวทนา ที่เหมือนกันและแก่ทําทั้งหลายที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาสองประการนอกนี้ก็ถ้าว่าโสมนัสเวทนาจะพึงเกิดขึ้นได้ในลําดับต่อจากโทมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนาจะพึงเกิดขึ้นได้ในลําดับต่อจากโสมนัสเวทนาไซ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะต้องตรัสวงและเปิดอนันตระปัจจัยวงและปิดไว้เก้าวาระทรงเพิ่มขึ้นอีกสองวาระคือธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนากับธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นอนันตระปัจจัยแก่กันและกันแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นโสมนาสเวทนานั้น จึงไม่มีความเกิดขึ้นในลำดับต่อจากโทมนาสเวทนานั้นและโทมนาสเวทนานั้นก็ไม่มีความเกิดขึ้นในลำดับต่อจากโสมนาสเวทนานั้นก็ในอธิการว่าด้วยการกําหนดตถาลัมพนาจิตนี้ด้วยคําว่าโสมนาสสาคตะกริยาชวนาวสาเนเป็นต้นท่านพระอนุรุตตาจารย์คล้อยตามข้อกําหนดแม้นี้ว่า บรรดาตทาลัมพนาจิตที่สระคตด้วยโสมนัสเวทนาห้าดวงตทาลัมพนาจิตแต่ละดวงย่อมเกิดมีต่อจากกา ม, มาวาจรกุศลชวนจิตที่สระคตด้วยโสมนัสเวทนาอากุศลชาวนาจิตที่ไม่ใช่โทสะมูลจิตที่สระคตด้วยโสมนัสเวทนา และกามาวาจรเกริยาชวนจิตที่สระคตด้วยโสมนัสเวทนาตามสมควรบรรดาตถาลัมพาณจิตที่สระคตด้วยอุเบขาเวทนาหกดวงตทาลัมพาณจิตแต่ละดวงย่อมเกิดมีต่อจากอากุศลชวนจิตที่สระคตด้วยอุเบขาเวทนา กามรมาวจรกุศลโชวนาจิตที่สระคตด้วยอุเบกขาเวทนาและจากกามรมาวจรกิริยาชาวนจิตที่สระคตด้วยอุเบกขาเวทนาตามสมควรความจริงการกําหนดตถ า, าลัมพนาจิตตามชาวนจิตนี้เป็นความประพฤติที่เกินความเป็นจริงไปก็หาไม่ได้ ส่วนการกำหนดตถาลัมพนาจิตที่เป็นไปโดยนัยว่าตถาลัมพนาจิตที่เป็นญาณสัมปยุตย่อมเกิดมีต่อจากโชนาจิตที่เป็นญาณสัมปยุตยดังนี้เป็นต้นมีใช่เป็นไปโดยความหมายเพียงอย่างเดียวความจริงในการบางคราวเมื่อกุศลโชนจิตทั้งหลายของบุคคลผู้สั่งสมไว้ ในอกุศลชวนาจิตทั้งหลายโดยมากเล่นไปแล้วตถาลัมพนาจิตฝ่ายอาเหตุกะย่อมเกิดมีได้แม้ต่อจากชาวนาจิตที่เป็นติเหตุกะเพราะความเคยชินที่เป็นไปในลำดับต่อจากอากุศลชวนจิตหรือว่าในการบางคราวเมื่อ อากุศลชวนะจิตทั้งหลายของบุคคลผู้สั่งสมไว้ในกุศลชวนะจิตทั้งหลายโดยมากแล่นไปแล้วแม้ตทาลัมพนะจิตฝ่ายติเหตุกะก็เหมือนกันคือย่อมเกิดมีได้ต่อจากอากุศลชวนะจิตเพราะความเคยชินที่เป็นไปในลำดับต่อจากกุศลชาวนะจิต ส่วนในความเป็นไปแห่งกระทาลำพนจิตด้วยกรรมอื่นจากกรรมที่ให้ปฏิสนธิจิตบังเกิดไม่มีคำที่จะต้องพูดถึงเลยเพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกลัดไว้ในคำพีปัฎฐานว่าผู้บําเพ็ญเพียรย่อมเห็นแจ้งอเหตุตุกขขันทั้งหลายโดยไม่เที่ยงโดยเป็นทุกข์โดยเป็นอนัตตา เมื่อกุศลชวนะจิตหรืออกุศลชวนะจิตดับลงวิบากจิตฝ่ายอาเหตุกะย่อมเกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์แห่งกุศลชวนะจิตหรืออกุศลชวนะจิตนั้นเป็นอารมณ์เมื่อกุศลชวนะจิตหรืออกุศลชวนะจิตดับลงวิบากจิตฝ่ายสาเหตุุกะย่อมเกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์แห่งกุศลชวนะจิต หรืออกุศลชวนาจิตนั้นเป็นอารมณ์ดังนี้เป็นต้นบทว่าตัดสมาเชื่อมความว่าเพราะเหตุที่ตถาลัมพนาจิตและพะวังคาจิตอันสรคตด้วยอุเบกขาเวทนานั่นแหลมีในที่สุดชวนาจิตที่สรคตด้วยโทมนสสเวทนา ฉะนั้นตทาลัมพนาจิตที่สัรคตรด้วยอุเบกขาเวทนาจึงเกิดขึ้นในที่สุดโชณจิตที่สัรคตรด้วยโทมนาสเวทนาด้วยบทว่าโสมนาสสปฏิสันทิกัสสานี้เป็นอันท่านอาจารย์แสดงแม้ความไม่มีการตกเป็นผวังคจิตนั่นเองเพราะไม่มีโสมนาสเวทนาในลำดับต่อจากโทมนาสเวทนา เหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงไม่กล่าวความข้อนั้นกำหนดเฉพาะความไม่มีตถาลัมพนาจิตอย่างเดียวจึงกล่าวว่าถ้าไม่มีความเกิดตถาลัมพนาจิตดังนี้อธิบายว่าถ้าไม่มีความเกิดคือความอุบัติแห่งตถาลัมพนาจิตแก่เดรัรถีเป็นต้นผู้มีปฏิสนธิจิตที่สหะคตด้วยโสมนัสเวทนา ซึ่งมีจิตขัดเคืองแม้ในอติอิทธารมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นในเมื่อชวนาจิตที่สระคตด้วยโทมนาสเวทนาแล่นไปแล้วเพราะตถ า, าลัมพนาจิตที่สรคดด้วยโสมนาสเวทนาไม่เกิดขึ้นโดยนัยะที่กล่าวแล้วและตถ า, าลัมพนาจิตที่สระคตด้วยอุเบคาเวทนา ก็ไม่เกิดขึ้นในอติอิทธารมหรือถ้าไม่มีความเกิดคือความอุบัติแห่งตถาลัมพนาจิตแก่บุคคลผู้ปรารบโลกิยชฌานอันเสื่อมไปด้วยอสัพปายะบางอย่างเกิดเสดายว่าธรรมประนีตของเราฉิบหายเสียแล้วในเมื่อมีชวนาจิตที่สรคตด้วยโทมนัสเวทนา เพราะไม่มีตทาลัมพนาจิตในอารมณ์ที่ไม่ใช่กามาวจรดังนี้บทว่าปริจิตตปุพพังโดยอัดว่าที่ตนคุ้นเคยแล้วในการก่อนคือที่ตนเคยรับแล้วโดยมากในพบนั้นอธิบายว่าสันติรณาจิตที่สรคตด้วยอุเบคาเวทนาแม้ปราศจากอาวชนะจิต ย่อมเกิดขึ้นได้เหมือนอย่างผลจิตของท่านผู้ออกจากนิโรสมาบัติฉะนั้นสมจริงดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าความจริงคำว่าจิตที่ปราศจากอาวัชนะจิตมีได้อย่างไรดังนี้นั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายมิได้กล่าวไว้การกาหนดว่าจิต ที่ปราศจากอาวัชนจิตย่อมไม่มีดังนี้มีอยู่ก็หามิได้เพราะแสดงถึงผ ล, ลจิตวงเล็บอนาคามิผ ล, ลจิตและอรหันตผ ล, ลจิตวงเล็บปิดเว้นจากอาวัชนจิตเสียก็เกิดขึ้นต่อจากนิโรสมาบัติได้ถามว่า ก็จิตดวงนี้วงเล็บเปิดสันติรณจิตที่สหะรคด้วยอุเบกขาเวทนาวงเล็บปิดย่อมเป็นไปโดยกิจอะไรตอบว่าอันดับแรกจิตดวงนี้ย่อมไม่เป็นไปโดยจารย์พณกิจเพราะไม่รับรองอารมณ์ของชวนจิตทั้งไม่เป็นไปโดยสันติรณกิจเพราะไม่เป็นไป ด้วยอำนาจพิจารณาอารมณ์ตามที่สัมปติช น, นจิตรับมาในปฏิสนธิกิจและจุติกิจไม่จำเป็นต้องพูดถึงเลยแต่เมื่อว่าโดยนัยที่ยังเหลืออยู่ควรจะพูดว่าจิตดวงนี้ย่อมเป็นไปโดยพวังขกิจเพราะเป็นองค์แห่งพบความจริง แม้ท่านอาจารย์ธรรมปาละเถระก็แสดงเนื้อความนี้ไว้เสร็จแล้วก็ข้อที่อาจารย์จะกล่าวว่าปฏิสนธิจิตและผวังขจิตเสมอกันโดยธรรมและอารมณ์นั้นพึงเห็นว่าท่านอาจารย์กล่าวไว้โดยมากความจริงเว้นฐานะหนึ่งนี้เสร็จแล้วปฏิสนธิจิตและผวังขจิตจะไม่มีความแปลกกันเลย บทว่าตามนันตาริตวาได้แก่กระทํามสันติรณจิตที่สระคตด้วยอุเบขาเวทนานั้นไว้ในลำดับแห่งตนคือไม่ให้จิต ด, ดวงอื่นเข้ามาแทรกแซงอธิบายว่าในลำดับต่อจากสันติรณนาจิตที่สระคตด้วยอุเบขาเวทนานั้น ในคำว่ากามาวจรเปอิจฉันติวงเล็บเปิดท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมปราถนาตถาลัมพนาจิตในเมื่อกามาวจรชวนาจิตดับลงเฉพาะในกามาวจรธรรมที่เป็นอารมณ์สำหรับเหล่ากามาวจรสัตว์วงเล็บปิดนี้ พึงทราบอธิบายความว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาตทาลัมพนาจิตนั่นแลในเมื่อกามาวจร์ชวนาจิตดับลงเท่านั้นเพราะตะทาลัมพนาจิตนั้นบังเกิดแต่กรรมมีกามมติหาเป็นเหตุความจริงตทาลัมพนาจิตนั้นอันกรรมมีกามมติหาเป็นเหตุให้เกิดแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นในลำดับแห่งรูปาวจร์ชวนาจิต อรูปาวจรชาวนาจิตและโลกุตระชวนจิตซึ่งไม่มีสภาวะเช่นนั้นเหตุอะไรหรือเพราะรูปาวจรชาวนะจิตเป็นต้นนั้นไม่ใช่ธรรมชาติให้กำเนิดและเพราะรูปาวจรชวนะจิตเป็นต้นนั้นไม่มีสภาวะเสมอกับกามาวจรกุศลจิตและอกุศลจิตซึ่งให้กำเนิด ปรียบเหมือนเด็กผู้ไร้เดียงสาผู้ประสงค์จะออกไปภายนอกเรือนย่อมเกาะนิ้วมือบิดาหรือบุคคลคล้ายกับบิดานั้นออกไปย่อมไม่เกาะบุคคลอื่นมีราชประหลุตเป็นต้นออกไปชั้นใดตถาลัมพนาจิตที่เป็นไปในรูปารมณ์เป็นต้นอื่นจากอารมณ์ผวังคจิตก็ฉันนั้น ย่อมติดตามกามาวจรกุศลจิตและอกุศลจิตซึ่งให้กำเนิดหรือกามาวจรกิริยาชวนจิตซึ่งคล้ายกับกามาวจรกุศลลจิตและอกุศลลจิตนั้นไปแต่จะไม่ติดตามมหักระตาชวนจิตและโลกุตระชวนจิตซึ่งไม่เหมือนกามาวจรชวนจิตและอกุศลจิตนั้นไปอันหนึ่ง ท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาะตทาลัมพนาจิตสำหรับเหล่ากามาวจรสัตว์เท่านั้นไม่ปรารถนาะสำหรับพวกพรหมเพราะพวกพรหมไม่มีพืช ค, คือกามาวจรปฏิสนธิจิตอันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ตทาลัมพนาจิตอนหนึ่งท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาะตทาลัมพนาจิต เฉพาะในกามาวจรธรรมที่เป็นอารมณ์ไม่ปรารถนาในมหากรตธรรมโลกุตรธรรมและบัญญัตธรรมนอกนี้เพราะไม่คุ้นกันเปรียบเสมือนเด็กผู้ไร้เดียงสานั้นแม้เมื่อจะติดตามบิดาหรือบุคคลที่คล้ายบิดานั้นไปก็จะไม่ติดตามเขาไปยังที่ตนไม่คุ้นมีป่าเป็นต้น ย่อมจะติดตามไปเฉพาะในที่ตนคุ้นเคยมีลา น, น้ามุกเป็นต้นฉันใดแม้ตทาลัมพนาจิตนี้ก็ฉันนั้นย่อมไม่ติดตามกามาวจรชวนะจิตนั้นซึ่งปรารถนาอารมณ์ที่ไม่คุ้นมีอารมณ์ที่เป็นรูปาวจรธรรมเป็นต้นเป็นไปอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้า ได้กล่าวอธิบายความไว้เสร็จแล้วดังนี้ว่าแม้เพราะเป็นธรรมชาติอันกรรมเนื่องด้วยกา ร, รมตัิหาให้เกิดแล้วตถาลัมพนาจิตนี้จึงเป็นไปเฉพาะในธรรมที่คุ้นอันเป็นอารมณ์แห่งกา ร, รมตัิหาก็ในฐานะที่ตถาลัมพนาจิตเป็นไปได้และไม่เป็นไปนี้มีคาถารวมความไว้ดังนี้ว่า สถานัมพนธจิตย่อมติดตามกามาวจรกุศลจิตและอกุศลจิตซึ่งให้กำเนิดหรือกามาวจรเกริยาชาวนาจิตซึ่งคล้ายกับกามาวจรกุศลจิตและอกุศลจิตนั้นไปแต่จะไม่ติดตามมหากัะตาชาวนาจิตและโลกุตระชาวนาจิตอื่นไปเปรียบเสมือนการติดตามของเด็กผู้ไร้เดียงสาฉนั้น ตถาลัมพนาจิตย่อมไม่มีแม้แก่พวกพรหมเพราะพวกพรหมไม่มีพืชความจริงตถาลัมพนาจิตนี้มีปฏิสนธิจิตที่เข้าใจกันว่าเป็นกามาวจรเป็นพืชตถาลัมพนาจิตนี้เปรียบเสมือนเด็กผู้ไร้เดียงสาย่อมติดตามกามาวจรเชวนาจิตและอกุศลจิตนั้น ไปในที่คุ้นเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่ติดตามไปในที่ไม่คุ้นอื่นหรือว่าตถาลัมพนาจิตนี้ย่อมเกิดมีด้วยอำนาจตัณหาเฉพาะในธรรมที่คุ้นอันเป็นอารมณ์แห่งกามตัณหาถามว่าก็ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า เพราะไม่มีพืชคือกามาวาจรปฏิสนธิจิตดังนี้เป็นต้นก็เมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญาณจิตทั้งหลายแม้มีจกักขวิญญาณจิตเป็นต้นก็จะต้องไม่มีมิใช่หรือตอบว่าจะต้องไม่มีหามิได้เพราะอนุภาพความเป็นไปแห่งอินทรีย์และเพราะจิตนิยมในประเภทแห่งวิถีจิตที่เกิดทางทวาร บทว่ามันทัพปวัตติยังความว่าในคราวที่วงเล็บเปิดกามาวาจรชวนจิตวงเล็บปิดเป็นไปอ่อนเพราะมีกําลังอ่อนโดยภาวะที่หาไทยวัตถุมีกําลังอ่อนในเวลาใกล้าตายด้วยอาทิศในบทว่ามรณกาลาทีสุนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์ย่อมรวบรวมถึงคราวสลบในวงเล็บ ด, ด้วยในคำ ว, ว่าพระวโตเปวทันตินี้ พระอัตถคตาฌา์ทั้งหลายกล่าวว่าสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเข้าฌานที่เป็นบาตรแต่ละอย่างเพื่อต้องการจะให้สายน้ําและท่อไฟเป็นไปเป็นต้นในคราวทรงธรรมย ม, มกปาติหารเป็นต้นออกจากฌานที่เป็นบาสนั้นแล้วทรงน้อมนึกถึงชานธรรมทั้งหลายเป็นแผนกแผนกอยู่ย่อมมีอภินิหารแห่งจิตซึ่งมีความน้อมนึก ที่ถึงที่สุดนั้นเป็นประธานนั่นแหละโดยความที่พระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในการน้อมนึกบรรลุถึงที่สุดแล้วเพราะเหตุนั้นชวนาจิตเป็นเครื่องพิจารณาซึ่งมีองค์ชาญตามที่พระองค์ทรงน้อมนึกแล้วเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปสี่หรือห้าดวงดังนี้ ก็บทว่าพระกวะโตนี้เป็นเพียงอุทาหรณ์เพราะในเวลารีบด่วนเห็นปานี้ชวนาจิตที่ไม่ครบเป็นไปได้แม้แก่พระสาวกเหล่าอื่นมีพระธรรมมเสนาบดีเป็นต้นเพราะเหตุนั้นแลพระพุทธโกสาจารย์จึงกล่าวไว้ในอัตถกถาว่า ความเชี่ยวชาญอันถึงที่สุดแล้วนี้ย่อมมีได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาแสดงยมกปาฏิหารหรือมีได้แก่พระสาวกเหล่าอื่นในเวลาเห็นป่านี้ท่านอาจารย์ธรมรมบาลเถระกล่าวไว้ว่าก็คำว่าจตาริปัญจวานี้ บัณฑิตควรถือเอาด้วยอำนาจท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าและท่านผู้มีอินทรีย์อ่อนเพราะฉะนั้นคำว่าปัจเเวคณาจิตย่อมเป็นไปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าสี่คณะเป็นไปแก่พระสาวกเหล่าอื่นแม้ห้าคณะดังนี้ย่อมปรากฏคล้ายเหมาะสมแล้วบทว่าอาทิกรรมมิกัรสะได้แก่ ของพระโยคาวจรผู้กระทำความเพียรเบื้องต้นอัปนาที่บังเกิดครั้งที่หนึ่งชื่อว่าอัปนาที่เกิดครั้งแรกท่านพระอนุรุธทธาาจารย์ใส่ใจว่าแม้อภิญญาชวนาจิตทั้งหลายก็พึงมีสัตมีวิพัฒว่าในอัปนาครั้งแรกดังนี้จึงกล่าวว่าสัพพทาปิดังนี้อธิบายว่าอภิญญาชวนาจิตทั้งห้าดวงย่อมแล่นไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งในการเกิดขึ้นครั้งแรกทั้งในการประพฤติวสีแล้วมรคนั่นเองชื่อว่ามรคูบาทเพราะความเกิดขึ้นบทว่ายะถารหังได้แก่เหมาะแก่มรคจิตที่เกิดขึ้นวาระที่ห้าหรือวาระที่สี่ ความจริงเพราะในวิถีที่มีอาวชนะจิตวิถีเดียวมีชวนจิตเพียงเจ็ดดวงเป็นอย่างยิ่งผลจิตจึงมีสามดวงต่อจากมรรคจิตที่เกิดขึ้นครั้งที่สี่หรือมีสองดวงต่อจากมรรคจิตที่เกิดขึนครั้งที่ห้าบทว่านิโรธสมาปฏิกาเลได้แก่ในส่วนแห่งการเบื้องต้นของนิโรธ บทว่าจะตุดทารูปาชวนางได้แก่ในว่ญญ า, นาสัญญาณสัญญายาตนาชวนาจิตดวงได้ดวงหนึ่งบรรดาอารูปาวจรกุศลชวนาจิตและอรูปาวจรกิริยาชวนาจิตท่านพระอนุรุธทธาจารย์ใส่ใจว่าพระอนาคามีและพระขี่นาศพเท่านั้นย่อมเข้านิโรธสมาบัติได้โสดาบันบุคคลและพระสกทาคามีหาเข้าได้ไม่ จึงกล่าวว่าอนาคามิพลังอรหัตตาพลังวาก็ในคำว่าอนาคามิพลังอรหัตตะพลังวานี้พึงเห็นวิพัตวิปัลลาตว่าอนาคามิพลเล อ, อรหัตตาทเลเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่านิรุตเถบทว่ายะถาหังได้แก่เหมาะแก่บุคคลนั้นนั้น ข้อว่าสพัพพทาปิสมาปติวีทยังได้แก่ทั้งในฌานสมาบัติวิถีทั้งในผลสมาบัติวิถีแม้ทั้งสิ้นการมาวจรชาวนาจิตบันฑดตกล่าวไว้เจ็ดครั้งโดยกำหนดอย่างสูงสุดส่วนมรรคชวนาจิตและอภิญยาชาวนาจิตท่านกล่าวไว้เพียงครั้งเดียวคือวาระเดียวเท่านั้นชวนาจิตที่เหลือคือมหกตาชวนาจิตและโลกุตระชวนจิต เว้นอภิญญาชวนจิตและมัคคชวนจิตย่อมได้แม้จำนวนมากเพราะเป็นไปในสมาบัติวิถีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยอภิสัพท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ย่อมประมวลจิตทั้งหลายมาว่าชาณจิตฝ่ายโลกิยะเป็นไปในอปปนาครั้งแรกและผลลจิตสุดท้ายสองดวงเป็นไปครั้งเดียวในลำดับต่อจากนิโรสมาบัติ ผลลจิตทั้งหลายเป็นไปเพียงสองหรือสามครั้งในลำดับต่อจากมรคจิตบัตรนี้เพื่อจะแสดงการกำหนดวิถีจิตที่เกิดขึ้นแก่บุคคลสิบสองจำพวกคือปุถุชนสี่จำพวกได้แก่ทุเหตุกะบุคคลอเหตุกะบุคคลอะปายิกาเหตุกะบุคคลและติเหตุกะบุคคลพระอริยบุคคลแปดจำพวกได้แก่ท่านผู้ดำรงอยู่ในมรคสี่และท่านผู้ดารงอยู่ในผลสี่ อันดับแรกท่านพระอนุรุธทธาจารย์กล่าวคําว่าทวิเหตุกานามะเหตุกานันจะดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงจิตที่จะพึงเว้นสําหรับบุคคลเหล่านั้นก่อนบุคคลทั้งหลายชื่อว่าทวิเหตุกะเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีเหตสองคืออโลพะเหตุและอโทสาเหตุอันสรคตด้วยปฏิสนธิวิญญาณบุคคลทั้งหลายชื่อว่าอาเหตุกะเพราะไม่มีเหตุทั้งหลายเช่นนั้น มะอักษรทําการเชื่อมบทอปนาชวนาจิตชื่อว่าย่อมไม่ได้แก่บุคคลสองจำพวกเหล่านั้นเพราะมีสภาวะเป็นเครื่องกั้นวิบากความจริงปฏิสนธิจิตแห่งทวิเหตุกะบุคคลและอเหตุกะบุคคลท่านเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นวิบากพระอระหันต์ชื่อว่าไม่มีแก่บุคคลสองจำพวกนั้นเพราะไม่มีอปนาชวนาจิตนั่นเอง เพราะเหตุนั้นกิริยาชวนะจิตจึงไม่ได้แก่บุคคลสองจำพวกเหล่านั้นเพราะพระบาลีว่าพระวังคจิตที่เป็นสหตุกะย่อมเป็นปัจจยัยแก่พวังคจิตที่เป็นอาหิตุกะโดยอนันตระปัจจัยดังนี้ตถาลัมพนาจิตที่เป็นทวิเหตุกะจึงเกิดมีแม้แก่เราอาหิตุกะบุคคลด้วยกรรมต่างๆฝ่ายเาทวิเหตุกะบุคคล ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเลยแต่เพราะปฏิสนธิจิตดวงเดิมยังมีความเกี่ยวข้องอยู่ตถาลัมพนาจิตที่เป็นติเหตุกะจึงไม่มีแก่ชนแม้สองจำพวกเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าตถาญาณสัมปยุตตะวิปากานิจะดังนี้ ก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยไม่แปลกันว่าสาเหตุกังพระวังคังดังนี้เป็นต้นท่านอาจารย์โชติปาระเถระจึงกล่าวตถาลัมพนาจิตที่เป็นติเหตุกะแม้แก่พวกอเหตุกะบุคคลแล้วจึงกล่าวไว้ในอธิการว่าด้วยการแสดงถึงจิตที่จะพึงเว้นสำหรับบุคคลเหล่านั้นนี้ว่า บุคคลใดเป็นผู้พูดถ้อยคำนั้นพึงถามบุคคลนั้นนั่นแลด้วยอำนาจจะเยะ้ยถ้อยคำที่ว่าวิบากจิตที่เป็นญาณสัมปยุตไม่มีก็คำนั้นแม้พระเถระกล่าวไว้แล้วด้วยอำนาจการเย้ยก็ดำรงอยู่คล้ายกับคำที่กล่าวไว้เพื่อจะถามอาจารย์ก่อนแล้วจึงจะทราบได้ จึงอย่างนั้นในอริการว่าด้วยการแสดงความไม่เป็นไปแห่งวิบากจิตที่ประกอบด้วยยานแก่บุคคลทั้งหลายนี้ท่านอาจารย์นั่นแหละกล่าวเหตุไว้ในประกรปรมัภวินิจฉัยว่าวิบากจิตที่เป็นญาณสัมปยุทธ์ทั้งหลายย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะปฏิสนธิจิตดวงเดิมยังมีความเกี่ยวข้องอยู่ส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งพรรณนาไว้ว่าแม้ตถาลัมพนจิต ที่เป็นติเหตุกะก็มีแก่ทวิเหตุกะบุคคลทั้งหลายเหมือนกับตถาลัมพนาจิตที่เป็นสหเหตุกะมีแก่พวกอเหตุกะบุคคลฉะนั้นอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าท่านพระอนุรุตธาอาจารย์หมายเอาเฉพาะอาเหตุกะบุคคลจึงกระทำการคัดค้านวิบากจิตที่เป็นญาณสัมปยุตแม้ในอภิธรรมมัทธสังคหะนี้โดยคล้อยตามมาติของอาจารย์พวกนั้น ก็บันดิตพิจารณาแล้วรับรองถ้อยคำของอาจารย์พวกนั้นเพราะไม่มีพระบาลีเป็นหลักฐานในคำว่าตถาลัมพนาจิตที่เป็นทุเหตุทุกะดังนี้นั้นและเพราะท่านอาจารย์กล่าวถึงเหตุในความไม่มีวิบากจิตที่เป็นญาณสัมพยุดด้วยอานาจทั่วไปแม้แก่บุคคลทั้งสองจำพวกแล้วแสดงการกาหนดจิตไว้เท่ากันพอดี ก็คำว่าสุขติยังในคำว่าตถาญาณสัมปยุตตวิปากานิจสุขติยังนี้มีไว้โดยเพ่งถึงอเหตุุกกบุคคลแต่คำว่าสุขติยังนั้นโดยเนื้อความท่านอาจารย์อนุญาตไว้แล้วเป็นคำที่มุ่งแสดงว่าทุวิเหตุกะวิบากจิตทั้งหลายเกิดมีในสุขตินั้นนั่นเอง เหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวว่าทุกติยมปณ ะ, ะดังนี้เป็นต้นบทว่าติเหตุเกสุความว่าบรรดาบุคคลที่มีเหตุสามคืออโลพาเหตุหนึ่งอโทสาเหตุหนึ่งอมโมหะเหตุหนึ่งที่ส่อรค ด, ด้วยปฏิสนธิวิญญาณได้แก่บุคคล9ก้าจำพวกมีปุถุชนเป็นต้นข้อว่าทิฏิเปเเฟขางความว่าเวนจิต ที่สรคตรด้วยสกายาติฐิและวิจิกิจชนั้นและกริยาชวนาจิตซึ่งมีเฉพาะแก่พระขีณาศพที่ท่านชักมาด้วยจะสับย่อมไม่ได้แก่โสดาบันบุคคลและสกัดทาคามีบุคคลผู้ได้นามว่าศขาิขะเพราะเป็นผู้มีปกติศึกษาโดยเป็นผู้กระทำายังไม่บริบูรณ์ในศิกขา เพราะละส ก, กายทิฏฐิและวิจิกิจชาได้ด้วยโสดาปฏิมัคเท่านั้นบทว่าปฏิฆะชาวนานิจจะได้แก่ชวนจิตที่สระโคตด้วยโทโมนานสเวทนาชาวนาจิตที่สมยุติด้วยทิฏฐิชวนจิตที่สระโคดด้วยวิจิกิจชาและกริยาชาวนาจิตข้อว่าโลกุตระเปสมุปัชชนติความว่าโลกุตระชวนจิตแม้ทั้งแปดดวงย่อมเกิดขึ้นพร้อม เฉพาะพระอริยบุคคลทั้งหลายผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลตามสภาวะของตนเพราะมารรคจิตสีดวงไม่เกิดมีในบุคคลอื่นโดยเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวเพราะพระอริยบุคคลชั้นต่ำๆยังไม่ได้บรรลุสมาบัติชั้นสูงๆและเพราะพระอริยบุคคลชั้นสูงๆเป็นผู้สงบระ ง, งับแล้ว โดยเข้าถึงความเป็นบุคคลอื่นจากโสดาบันบุคคลเป็นต้นเหตุที่กรรมกิเลสซึ่งพระอริยะบุคคลชั้นต่ำๆยังถอนไม่ได้ดับไปเหมือนอย่างโสดาบันบุคคลทั้งหลายเข้าถึงความเป็นบุคคลอื่นจากพวกปุถุชนฉะนั้นท่านพระนุรุตธาอาจารย์ครั้นเว้นชวนาจิตตามที่ถูกห้ามทั้งหลายสำหรับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วบัด หวังจะรวบรวมแสดงชนะจิตที่จะได้อยู่โดยนิยะที่ยังเหลืออยู่รอบด้านจึงกล่าวคำว่าอาศขานังดังนี้เป็นต้นนักศึกษาทั้งหลายพึงเห็นความตกลงใจว่าบัณฑิตพึงยกขึ้นแสดงซึ่งวิถีจิตสี่สิบสี่ดวงคือกามาวจรวิบากาจิตยี่สิบสามดวงกิริยาจิตยี่สิบดวง และอารหาัตตาผลลจิตในวงเล็บหนึ่งดวงที่เหลือเว้นจิตสี่สิบห้าดวงคือกุศลลจิตวงเล็บเปิดยี่สิบอ็ดวงวงเล็บปิดอากุศลลจิตในวงเล็บสิบสองดวงรวมสามสิบสามดวงโลกุตระผลลจิตเบื้องกรํสามดวงและมหกคาตวิบากรจิตที่พ้นจากวิถีเก้าดวงตามที่เกิดได้คือตามที่หาได้ สำหรับพระอริยบุคคลทั้งหลายผู้ชื่อว่าพระอเซคะเพราะเป็นผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาได้แก่สำหรับพระขีนาศบทั้งหลายโดยหมายถึงพระขีนาศบทั้งหลายผู้ยังดำรงอยู่ในกามภพ กล่าวโดยไม่แปล ก, กันบัณฑิตพึงเว้นจิตสามสิบสามดวงคือกิริยาชาวนะจิตสิบแปดวงโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธวงเล็บเปิดสี่ดวงวงเล็บปิดและโมหามูลจิตที่สระคตด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกในวงเล็บหนึ่งดวงรวมห้าดวงอรหัตผลจิตในวงเล็บหนึ่งดวงและมหากตาวิบากรจิตในวงเล็บเก้าดวงแล้วยกขึ้นแสดงซึ่งวิธีจิต ห้าสิบหกดวงคือกามาวจรวิบากจิตยี่สิบสามดวงอาวชนะจิตสองดวงกุศลละจิตยี่สิบเอ็ดดวงอกุศลละจิตเจ็ดดวงและโลกุตระผลละจิตเบื้องกามสามดวงตามที่เกิดได้สำหรับพระอริยบุคคลทั้งหลายผู้เป็นพระเศขะแต่กล่าวโดยแปลกกันพึงยกขึ้นแสดงซึ่งวิธีจิตห้าสิบเอ็ดดวง สำหรับพระโสดาบันบุคคลและพระสกทาคามีบุคคลทั้งหลายพึงยกขึ้นแสดงซึ่งวิธีจิต49ดวงสำหรับพระอนาคามีบุคคลทั้งหลายกล่าวโดยไม่แปล ก, กันบันดิตพึงเว้นจิตส5สห้าดวงคือ กิริยาชวนาจิตสิบปดวงโลกุตระจิตทั้งปวงในวงเล็บแปดดวงและมหากะต่วิบากาจิตในวงเล็บเก้าดวงแล้วยกขึ้นสแสดงซึ่งวิถีจิตห้าสิบสี่ดวงคือกามาวจรวิบากาจิตในวงเล็บยี่สิบสามดวงอวชนาจิตในวงเล็บสองดวงโลกิยากุศ ล, ลจิตในวงเล็บสิบเจ็ดวงและกุศลจิตในวงเล็บสิบสองดวงที่เหลือตามที่เกิดได้ สำหรับบุคคลทั้งหลายที่เหลือคือสำหรับปุถุชนสี่จำพวกแต่กล่าวโดยแปลกกันสำหรับพวกติเหตุกะบุคคลย่อมได้วิถีจิตเพียงห้าสิบสี่ดวงเท่านั้นสำหรับพวกทวิเหตุกะบุคคลและอเหตุกะบุคคลย่อมได้วิถีจิตสี่สิบเอ็ดดวงเท่านั้น ซึ่งเว้นกามาวาจรโสภนวิบากจิตที่เป็นยาณสัมปยุตในวงเล็บสี่ดวงและอัปนาชวนาจิตในวงเล็บสี่สิบแปดดวงตรงนี้ตามโยชนาจะเป็นเก้าดวงนะครับวงเล็บปิดเสียสำหรับเหล่าสัตว์ผู้เกิดในอบายภูมิย่อมได้วิธีจิตสี่สิบเอ็ดวงเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นกามาวาจรโศภนวิบากจิต ที่เป็นทวิเหตุกะในวงเล็บสี่ดวงคงเหลือวิถีจิตเพียงสาสิบเจ็ดดวงเท่านั้นความต่างการแห่งความเป็นไปแห่งจิตด้วยอำนาจบุคคลชื่อว่าปุกละเพทะวิถีจิตแม้ทั้งหมดย่อมหาได้ในวงเล็บในกามาวจรภูมินั้นเพราะทวารหกและบุคคลทั้งหมดเกิดในกามาวจรภูมินั้น บทว่ายถารหังได้แก่ตามสมควรแก่ภพนั้นๆและตามสมควรแก่บุคคลนั้นๆด้วยคําว่าสภัทถาปิเป็นต้นจักเป็นการคัดค้านแม้วิญญาณจิตมีคณะวิญญาณจิตเป็นต้นเพราะเหตุนั้นในภูมิที่เป็นรูปาวจรท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงคัดค้านเฉพาะโทสะมูลจิตในวงเล็บสองดวงและตาธาลัมพนาจิตในวงเล็บ1ิ ด, ดวง บอกว่าสภัททาปิได้แก่ในกามาพและในรูปประพบในกามาพบย่อมได้วิถีจิตแปดสิบดวงเว้นจิตที่พ้นจากวิถีในวงเล็บเก้าดวงตามสมควรในรูปประพบย่อมได้วิถีจิตหกสิบสี่ดวงคืออาวชนะจิตสองดวงอเหตุกวิบากจิตเก้าดวงและชวนะจิตที่เหลือห้าสิบสามดวงที่เหลือเว้นจิตยี่สิบห้าดวงคือ โทสามูลจิตสองดวงตถาลัมพนาจิตแปดดวงวิญญาณจิตหกดวงมีคณะวิญญาณจิตเป็นต้นและจิตที่พ้นจากวิถีนวงเล็บเก้าดวงในอรูปภพย่อมได้คือย่อมหาได้แน่นอนจิตสี่สิบสองดวงได้แก่กามาวจรชนะจิตยี่สิบหกดวงอรูปาวจรชนะจิตแปดดวงโลกุตระชนะจิตเจ็ดดวงและมโนทวารวชนะจิตหนึ่งดวง โทสะมู ล, ลจิตสองดวงอรูปาวจรุิบากจิตในวงเล็บสี่ดวงเกิ้ริยามนโนท่าจิตในวงเล็บหนึ่งดวงและหาสิโตปาท่จิตในวงเล็บหนึ่งดวงฝ่ายอาจารย์บางพวกคํานึงถึงว่าเพราะนรูปประพมไม่มีอนิถารลมอกุศลุยบากจิตในวงเล็บสี่ดวงเกิดมีแก่พวกพรหมเฉพาะผู้มายัางมนุษยโลกนี้เท่านั้นดังนี้ จึงให้ลดอากุศลวิบากจิตในวงเล็บสี่ดวงเหล่านั้นเสียแล้วกล่าวว่าในรูปประพรย่อมได้วิถีจิตรวมกับกามาวจรวิบากจิตห้าดวงเป็นหกสิบดวงท่วนดังนี้ก็ใครๆ ไ, ไม่อาจกล่าวว่าอนิถารมในมนุษยโลกนี้ไม่เกิดมีแก่พวกพรหมแม้ผู้อยู่ในพรหมโลกนั้นในวงเล็บแต่มองดูโลกนี้อยู่ เพราะเหตุนั้นในรูปประพบนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าววิถีจิตรวมกับอกุศลวิบากจิตสี่ดวงเหล่านั้นนั่นแหละว่ามีหกสิบสี่ดวงก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมานี้พระอัตถคขาจารย์จึงกล่าวไว้ในคำพีธรรมานุสารณีว่าในการใดพวกพรหมน้อมนึกถึง อนิถารมที่เป็นกามาวจรในการนั้นจักุวิญญาณจิตโสตวิญญาณจิตมโนทาจิตและสันติระาจิตฝ่ายอากูศลวิบากย่อมเกิดมีขึ้นได้แม้ในสุคติภูมินั้นการจำแนกจิตด้วยอำนาจภูมิชื่อว่าภูมิวิภาค บทว่ายถาสัมภวังได้แก่ตามสมควรแก่จิตที่เกิดได้ในทวาร น, นั้นๆหรือในภพนั้นๆั้นบทว่ายาวตายุกลางเป็นต้นมีอธิบายความว่าความเป็นไปแห่งจิตที่เกิดทางทวารหกย่อมเป็นไปไม่ขาดสายตลอดการเริ่มตั้งแต่วิถีจิตที่เกิดทางมโนทวารที่เป็นไปคืออย่างลงสู่ภพต่อจากปฏิสนธิจิตมีจุติจิตเป็นที่สุด หรือตลอดการที่เป็นไปก่อนแต่จุติจิตนั้นมีผวังคจิตเป็นที่สุดในเมื่อไม่มีการเข้าเนื้อโรสสมาบัติพันนาความป ร, ริเฉดที่สี่ในดีกาอภิธรรมมัทธสังคหาชื่ออภิธรรมมัทธรรวิภาวินีจบแล้วด้วยประการชนีพันนาความป ร, ริเฉดที่ห <ul ain> ้าก็ท่านพระอนุรุธทธอาจารย์ ครั้นแสดงการรวบรวมวิถีจิตด้วยคำมีประมาณเท่านี้แล้วบัดนี้เมื่อจะเริ่มแสดงการรวบรวมจิตที่พ้นจากวิถีจิตจึงกล่าวคำว่าวิถีจิตตะวเสนวังดังนี้เป็นต้นมิว่าจะประกอบความว่าการรวบรวมชื่อว่าปวัติสังคหะอันข้าพเจ้าได้ยกขึ้นแสดงไว้แล้วในปวัติการคือในการอื่นจากปฏิสนธิการ ซึ่งมีจุติเป็นที่สุดด้วยอํานาจแห่งวิถีจิตดังพันนามาชะนี้คือโดยนัยตามที่กล่าวแล้วบัดนี้คือในลําดับต่อจากประวติสังคหะในประวติการนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวประวติสังคหะในปฏิสนธิการคือในการแห่งปฏิสนธิและในการแห่งจุติที่ท่านระบุด้วยสับว่าปฏิสนธินั้นนั่นเอง โดยความที่จุดจิตใกล้ต่อปฏิสนธิจิตนั้นที่ชื่อว่าอบายเพราะอัตวิเคราะห์ว่าโดยมากปราศจากความเจริญที่รู้กันว่าบุญภูมิคืออบายนั้นชื่อว่าอบายภูมิเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่เกิดแห่งเหล่าสัตว์ที่ชื่อว่าสุขติเพราะอัตวิเคราะห์ว่าชื่อว่าคติเพราะอันสัตว์พึงไปคือพึงเกิดขึ้นและชื่อว่างาม เพราะเป็นที่อาศัยแห่งสมบัติอในอประการคติที่อยู่ร่วมกับกามัตัญหาชื่อว่ากามสุขติภูมิคือกามสุขตินั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากามสุขติภูมิแม้ในรูปาวจรภูมิเป็นต้นที่เหลือก็มีนัยยะอย่างนี้ที่ชื่อว่านิระยะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าออกไปจากความเจริญคือความสุข ที่ชื่อว่าเดรรชานเพราะอาัตวิเคราะห์ว่าไปขวางกำเนิดของสัตว์เดรรชานเหล่านั้นชื่อว่าติรชานโยนิที่ชื่อว่ากำเนิดเพราะอาัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องผสมแห่งเหล่าสัตว์แม้จะไม่ปะปนกันก็เป็นเหมือนปะปนกันโดยมีชาติเสมอกันก็กำเนิดนั้นโดยเนื้อความได้แก่ความเป็นไปแห่งขันทั้งหลายเป็นเครื่องแปลกกัน ที่ชื่อว่าเปรตเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าเป็นไปแล้วคือไปแล้วจากประโยชน์อันดียิ่งคือจากความสุขวิสัยแห่งเปรตทั้งหลายแยกประเภทเป็นนิ ช, ชามะตันหิกเปรตเป็นต้นชื่อว่าเปรตวิสัยก็ในกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานและเปรตวิสัยนี้การกำหนดรู้ขันทั้งหลายนั่นแหละมีได้ด้วยศัพท์ว่าติรชัชนาโยนิ และเปรติวิสยะเพราะโอกาสที่กําหนดเช่นนั้นไม่มีแก่กําเนิดสัตว์เดรัชาและเปรตวิสัยเหล่านั้นหรือว่าสัตว์เหล่านั้นอยู่ประจําในที่ใดมีป่าและเชิงเขาเป็นต้นบัณฑิตพึงถือเอาแม้โอกาสด้วยอํานาจสถานที่เช่นนั้นที่ชื่อว่าอสูรเพราะอัตวิเคราะห์ว่า ย่อมไม่แกล้งกล้าคือไม่เพลิดเพลินโดยความเป็นใหญ่หรือการเล่นเป็นต้นได้แก่อสูรเปรตส่วนพวกท้าเวปจิตติอสูร น, นอกนี้ไม่ใช่พวกเทวดาคือเป็นข่าสึกต่อพวกเทวดาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอสูรก็ในบทว่าอสุรกายโยนี้ระบุเฉพาะเปรตอสูรพวกเดียว หาระบุถึงเท้าเวปจิตินอกนี้ไม่เพราะท่านอาจารย์ต้องการจะจัดไว้ในพวกเทวดาชั้นดาวดึงจิงอย่างนั้นท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าพวกเท้าเวปจิติอาศุลอยู่ในพวกเทวดาชั้นดาวดึงที่ชื่อว่ามนุษย์เพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีใจสูงเพราะเป็นผู้มีใจสูงด้วยคุณมีสติความแกล้ า, ลาและ ความเหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นจึงอย่างนั้นแม้บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้บรรลุถึงสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยอดเยี่ยมเป็นต้นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ในบรรดาชนผู้อยู่ในทวีปนี้พวกชนชาวชมพูทวีปชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยตรงอันหนึ่งพวกชนแม้ที่อยู่ในทวีปใหญ่นอกนี้ รวมทั้งชนที่อยู่ในทวีปน้อยบัณฑิตก็เรียกว่ามนุษย์โดยที่มีรูปร่างเหมือนชนที่อยู่ในชมพูทวีปเหล่านั้นเป็นต้นแต่ชาวโลกกล่าวว่าชื่อว่ามนุษย์เพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเหล่ากอคือเป็นลูกของพระมนูเจ้าได้แก่ของกษัตริย์ผู้เป็นต้นวงภูมิเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมนุษย์ชื่อว่ามนุษสในอธิการว่าด้วยภูมิสี่นี้ แม้ในบทว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นต้นที่เหลือก็มีนัยยะอย่างนี้ที่ชื่อว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชเพราะอัทวิเคราะห์ว่ามีการคบหาในพวกเท้ามหาราชทั้งสี่หรือเกิดในชั้นจาตุมมหาราชอันเป็นสถานที่อยู่อาศัยของเท้ามหาราชทั้งสี่อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าชนทั้งหลายรวมกับมค ะ, ะมานพเป็นสามสิบสามคน มักทำบุญร่วมกันบังเกิดแล้วในที่นี้เพราะเหตุนั้นที่นั้นซึ่งเป็นไปร่วมกันแห่งชนสามสิบสามคนนั้นจึงชื่อว่าเตติงสะเตติงสะนั้นนั่นเองเป็นตาวะติงสะตาวะติงสะนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเทวดาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเทวดาเหล่านั้นจึงชื่อว่าเทวดาชั้นดาวดึงแต่ เพราะเทวโลกชั้นกามาวาจรหกชั้นมีอยู่แม้ในจักรวาลที่เหลือโดยพระบาลีว่าชั้นเทวดาจตุมหาราชมีพันชั้นและชั้นเทวดาดาวดึงมีพันชั้นดังนี้ฉะนั้นบัณฑิตพึงถือเอาว่าคำว่าตาวติงสะนี้เป็นเพียงชื่อของเทวโลกนั้นเท่านั้น เทวดาที่ชื่อว่ายามาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าไปแล้วคือไปปราดแล้วจากความทุกข์เทวดาที่ชื่อว่าดูสิตเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าถึงแล้วคือบรรลุแล้วซึ่งความยินดีได้แก่ซึ่งความอิ่มใจในสิริสมบัติของตนเทวดาที่ชื่อว่านิมมานรดีเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีความยินดีในการเนรมิตเทวดาที่ชื่อว่าปารณิมมิตะ สวัสดีเพราะอัตวิเคราะห์ว่ายังอำนาจของตนให้เป็นไปในสมบัติที่พวกเทวดาอื่นในระมิดให้พรหมชื่อว่าพรหมป ร, ริสัชชาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเกิดในบริษัทของเท้ามหาพรหมเหล่านั้นเพราะเป็นผู้รับใช้ของพวกเท้ามหาพรหม พรหมชื่อว่าพรหมปุโรหิตาเพราะดำรงอยู่ในฐานะเป็นปุโรหิตของเท้ามหาพรหมเหล่านั้นที่ชื่อว่าพวกพรหมเพราะอัตวิเคราะห์ว่าจเจริญคืองอกงามด้วยคุ ณ, ณวิเศษทั้งหลายมีฌานเป็นต้นเหล่านั้นเหล่านั้น ที่ชื่อว่าพวกมหาพรหมพเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นพรหมผู้ใหญ่กว่าชั้นพรหมปริสัชชาเป็นต้นโดยมีรัศมีและเป็นผู้มีอายุยืนกว่าเป็นต้นพรหมทั้งสามจำพวกเหล่านี้อยู่ชั้นเสมอกันซึ่งมีรัศมีแก้วที่ประนีดยิ่งกว่าแผ่ซ่านออกอันหนึ่ง พวกพรหมที่ชื่อว่าปริตตาภาเพราะอธถวิเคราะห์ว่ามีรัศมีน้อยกว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปพวกพรหมที่ชื่อว่าอปมานาภาเพราะอธิวิเคราะห์ว่ามีรัศมีหาประมาณไม่ได้พวกพรหมชื่อว่าอาพัสราเพราะอธิวิเคราะห์ว่ามีรัศมีสั้นไปคือส่้นออกรอบด้านเหมือนสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆเช่นั้น เพราะมีขันธสันดานที่บังเกิดจากฌานที่มีปีติอีกอย่างหนึ่งพวกพรหมชื่อว่าอาพัสราเพราะอัถวิเคราะห์ว่ามีร่างกายเป็นแดนซ่านไปคือซ่านออกไปแห่งรัศมีประดุจขาดตกไปเป็นสายเปรียบเหมือนเปลวไฟแห่งคบเพลิงฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งพวกพรหมชื่อว่าอาพัสราเพราะอัถวิเคราะห์ว่า มีปกติรุ่งเรืองด้วยรัสมีตามที่กล่าวแล้วพรหมสามจำพวกแม้เหล่านี้อยู่ชั้นเดียวกันซึ่งมีรัสมีแก้วที่ประณีตยิ่งกว่าแพ่ซ่านออกรัสมีแห่งร่างกายเป็นสายเดียวกันไม่กวัดแกวงเรียกว่ารัศมีงามรัสมีงามนั้นของพวกพรหมเหล่านี้น้อยกว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปเพราะเหตุนั้นพรหมเหล่านี้จึงชื่อว่าปริตตะสุภา พวกพรหมที่ชื่อว่าอปมานสุภาเพราะอัถวิเคราะห์ว่ามีรัศมีงามหาประมาณมิได้พวกพรหมที่ชื่อว่าสุภกินนาเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเรี่ยายแล้วคือเกลื่อนกล่นแล้วด้วยรัศมีงามกล่าวคือเป็นที่ผุดพองขึ้นแห่งรัศมีก็ เมื่อควรจะกล่าวว่าสุภากินนาท่านอาจารย์ก็ทำรัศพาศแล้วแปลงนะักษรที่สุดศัพเป็นหะอักษรแล้วกล่าวว่าสุภกินหาพรหมสามจำพวกแม้เหล่านี้อยู่ชั้นเดียวกันซึ่งมีรัศมีแก้วที่ประณีตยิ่งกว่าแผ่ซ้านออก พวกพรหมชื่อว่าเวหพลาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีผลที่บังเกิดด้วยอานุภาพแห่งฌานที่ไพบูุ์พวกพรหมชื่อว่าอสัญญาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าไม่มีสัญญาและรู ป, ปรขันธ์ที่เหลือที่กล่าวแล้วโดยมีสัญญานั้นเป็นประธานเหตุมีเพียงรูปสัน ต, ติที่บังเกิดด้วยภาวนาเป็นเครื่องสำรอกสัญญา เหล่าสัตว์คือพวกปรมที่ไม่มีสัญญาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอสัญญาสัตว์ปรมแม้เหล่านี้อยู่ชั้นเดียวกันซึ่งมีรัศมีแก้วที่ประนีชยิ่งกว่าแผ่ซ่านออกภูมิที่ชื่อว่าสุทธาวาสเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์คือของพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้น อีกอย่างหนึ่งพวกพรหมชื่อว่าสุทธาวาสเพราะอัถวิเคราะห์ว่ามีที่อยู่ที่ชื่อว่าบริสุทธิ์เพราะไม่มีความยินดีและความยินร้ายภูมิอันเป็นที่อยู่อาศัยแม้แห่งท่านผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นชื่อว่าสุทธาวาสก็บันดาพรหมผู้อยู่ในห้าชั้นเหล่านี้ พวกพรหมผู้อยู่ในชั้นที่หนึ่งย่อมไม่ละทิ้งสถานที่ของตนโดยเวลาเพียงเล็กน้อยเพราะเหตุนั้นพรหมเหล่านั้นจึงชื่อว่าอวิหาพวกพรหมผู้อยู่ในชั้นที่สองย่อมไม่สะดุ้งกลัวด้วยเหตุอะไรอะไรเพราะเหตุนั้นพรหมเหล่านั้นจึงชื่อว่าอัตปาพวกพรหมที่อยู่ในชั้นที่สามย่อมปรากฏได้ง่ายเพราะมีรูปที่งดงามอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นพรหมเหล่านั้นจึงชื่อว่าสุทัสสา พวกพรหมที่อยู่ในชั้นที่สี่ย่อมเห็นได้ง่ายเพราะเป็นผู้มีความเห็นหมดจดด้วยดีเพราะเหตุนั้นพรหมเหล่านั้นจึงชื่อว่าสุทัศสีส่วนพวกพรหมที่อยู่ในชั้นที่ห้าชื่อว่าอากนิฐาเพราะอัถวิเคราะห์ว่าไม่มีความเป็นผู้น้อยที่สุดเหตุเป็นผู้มีสมบัติอย่างสูงสุดขันสีอันเป็นอรูปาวจรวิบากจิตที่หนึ่ง ซึ่งเป็นไปในอากาสานัญจายตนะฌานนั่นเองหรือโอกาสที่กำหนดด้วยขันธ์สี่อันเป็นอรูปาวาจรวิบากกจิตที่หนึ่งเหล่านั้นชื่อว่าอากาสานัญจายตนะภูมิแม้ในวิญญาณานจายตนะภูมิเป็นต้นที่เหลือก็มีนัยยะอย่างนี้เชื่อมความว่าปุถุชนก็ดีโสดาบันบุคคลก็ดีสกทาคามีบุคคลก็ดี หาไม่พบในชั้นสุทธาวาสทั้งหลายแม้โดยประการทั้งปวงก็เพราะปฏิเสธปุถุชนเป็นต้นย่อมเป็นอันท่านพระอนุรุธทธาจาร์กล่าวถึงการหาได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ในชั้นสุทธาวาสเหล่านั้นบทว่าเสสัตถาเนสุความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลาย และแม้บุคคลที่มิใช่พระอริยะย่อมหาได้ในฐานะที่เหลือซึ่งเว้นชั้นสุทธาวาในวงเล็บห้าอบายภูมิในวงเล็บสี่และอสัญญีภพในวงเล็บหนึ่งบทว่าโอกันติคเนได้แก่ในขณะปฏิสนธิสัตว์ใดบอดแต่กำเนิดเพราะเห็นนั้นสัตว์นั้นจึงชื่อว่าชัดจันทะในขณะเกิด อันดัชสัตว์และชลาผู้ชัว์ทั้งหมดไม่มีจกักขูระษาทรูปเลยแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นในเวลาที่จักสุเป็นต้นควรจะเกิดขึ้นสัตว์ที่มีจักสุถูกกรรมที่มีสมรรถภาพอันกรรมซึ่งเป็นตัวขัดขวางความเกิดขึ้นแห่งจักสุห้ามเสียแล้วก็ดีกรรมที่ให้ปฏิสนธิก็ดีกรรมแม้นอกนี้ก็ดีไม่พึงให้เกิดขึ้น ชื่อว่าบอดแต่กำเนิดส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าบทว่าชัดจันโทได้แก่สัตว์ที่บอดในเวลาเกิดนั่นเองอธิบายว่าเป็นสัตว์บอดตั้งแต่ในท้องมารดาออกมาเพราะอธิบายดังว่ามานี้สําหรับทวิเหตุกษัตริย์และติเหตุกษัตริย์จึงสําเร็จความไม่วิบัติจากสุในท้องมารดา ด้วยอาทิศัพในคําว่าชัดจันาทาธินี้เป็นอนันรวบรวมสัตว์ผู้หนวกแต่กําเนิดใบ้แต่กําเนิดเสื้อแต่กําเนิดบ้าแต่กําเนิดบันดอกสัตว์มีสองเพศสัตว์ไม่มีเพศและสัตว์ผู้ติดอ่างเป็นต้นเข้าด้วยฝ่ายอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าสัตว์บางพวกมีปฏิสนธิเป็นอเฮตุกะเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นปกติเพียงเล็กน้อย เป็นอันรวมแม้จำพวกสัตว์เช่นนั้นเข้าด้วยอาธิสัพเราสัตว์ผู้ชื่อว่าอาศัยภาค พ, พื้นอยู่เพราะอัตวิเคราะห์ว่าอิงคืออาศัยภูมิเทพอยู่เหตุอาศัยภูมิเทพนั้นเป็นที่เป็นไปเราสัตว์ผู้ชื่อว่าวินิปาติกะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าตกไปจากที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งความสุข ข้อว่าสัพพัถาปีกามะสุกติยังได้แก่ในกามะสุกติภูมิแม้ทั้งเจ็ดคือเทวโลกในวงเล็บหกมนุษย์ในวงเล็บหนึ่งบทว่าเตสุได้แก่ในบรรดาบุคคลทั้งหลายหรือในบรรดาเหล่าสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิเป็นต้นผู้ประกอบด้วยปฏิสนธิตามที่กล่าวแล้วการกำหนดจำนวนประมาณอายุชื่อว่าย่อมไม่มีแก่เหล่าสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิเป็นต้น เพราะสัตว์บางพวกมีอายุยืนและเพราะสัตว์บางพวกมีอายุสัน้นสมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าการกำหนดอายุของสัตว์ผู้เกิดในอบายภูมิและมนุษย์ย่อมไม่มีจริงอย่างนั้นพยากาลนาคราชพระเจ้ามันตะธาตและยักษ์บางพวกมีอายุยืนดังนี้เป็นต้น ความจริงในอบายทั้งหลายกรรมนั่นเองเป็นประมาณในวงเล็บอายุเพราะเหล่าสัตว์ผู้บังเกิดในอบายภูมินั้นไม่มีการจุติตราบเท่าที่กรรมยังไม่สิ้นไปสำหรับเหล่าภูมิมเทพก็เหมือนกันความจริงสัตว์ผู้เกิดแม้ในภูมิมเทพเหล่านั้นบางพวกก็ดำรงอยู่ได้ชั่วเวลาเพียงเจ็ดวันเป็นต้น บางพวกก็ดำรงอยู่ได้แม้ประมาณกับหนึ่งหนึ่งกํมนั่นเองเป็นประมาณอายุแม้แห่งมนุษย์ทั้งหลายเพราะบางคราวแม้มนุษย์เหล่านั้นก็มีอายุถึงอสงไขยบางคราวก็มีอายุสิบปี